บ้านของจิตคือภาวะความปกติ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 หลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนขณะนี้จิตใจของเรายังคงเป็นปกติดีอยู่ไหมไอเรื่องร่างกายเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะมันก็ย่อมมีความเจ็บป่วย เป็นนู่นเป็นนี้เมื่อยล้าอ่อนแรงเป็นธรรมดาดีแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาส่วนของร่างกายก็ดูแลเขาพอสมควรนะมันเป็นหน้าที่ของเราแต่ที่สำคัญก็คือต้องที่จิตใจใจเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตเราเราต้องดูแลเขาให้มาก ว่าใจเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของความสุขของความทุกข์ใจเรา เ, เป็นที่ตั้งของความรู้และก็ความหลงลองดูซิว่าขณะเนี้ยเรากําลังรู้หรือกําลังหลงกาลังรู้สึกตัวฟังอยู่หรือกําลังหลงลืมตัวไปกับความคิดนึก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 แต่ตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างภาวะของความเป็นปกติคลุมกรองจิตใจเราให้มีความสุขได้ชีวิตเราเนี่ยมันมีการก้าวเดินไปก้าวเดินทั้งนัานร่างกายแล้วก็จิตใจก้าวเดินทางกายคือการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า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 แต่ถ้าเราแ อ, แอบดูความคิดเรารู้สึกตัวรู้สิว่าเราคิดอะไรในช่วงการแอบดูความคิดแอบดูจิตใจเราเนี่ยมันเป็นช่วงการทำให้จิตใจเราผ่อนคลายความคิดจะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นการช่วยจิตช่วยใจเราไม่ให้มันปรุงแต่งจนทำให้จิตใจมันเครียดทุกครั้งที่จิตมันคิดเนี่ยเราดูเถอะคนที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยจะเห็นว่าจิตนี่มันเป็นทุกข์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 เจ้าความรู้สึกตัวนี่แหละเขาช่วยป้องกันจิตใจไม่ให้ไปเสพติดอารมณ์ทําให้จิตใจเราเกิดความผ่อนคลายนิสัยของจิตใจเราเมันชอบส้ำสองคือไปกับอารมณ์ไม่เลือกเวลามีอารมณ์ดีมากระทบอจิตใจเราก็ไปกับอารมณ์ดีดีใจพอใจเไหเพลอเพลินไปเลย มันก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะควาคิดดีๆอารมณ์ดีบางทีอารมณ์ไม่ดีมา ก, กระทบความหงุดหงิดความไม่พอใจไม่สบายใจมากระทบจิตใจจิตใจเราก็ไปกับอารมณ์ที่ไม่ดีในชะ่ไหมจะไม่เรลวท ร, รัมม์จอนได้อยไรคือไปไม่เลือกอันนี้เป็นธรรมชาติของเขานะอารมณ์ดีก็ไปกับเขาอารมณ์ไม่ดีก็ไปกับเขาไปจิตที่สมัมส์จอนหลวงพ่อคำเขียนเนี่ย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 คือการทำกายทำใจให้เกิดความพอดีจะพอดีได้นั้นต้องมีความรู้สึกตัวการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องช่วยกายช่วยใจนะช่วยกายช่วยใจรักษากายใจให้เป็นปกติเมื่อเหน็ดเหนื่อยทางกายก็หยุดพักเมื่อเหน็ดเหนื่อยทางจิตต้องเปลี่ยนยาบทไปมองสิ่งอื่นไปทำสิ่งอื่นี่บ้างเพื่อเป็นการช่วยกายช่วยใจให้เป็นปกติ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 และก็พอเพียงพอสมควรพองามทำให้จิตใจเราเกิดความสุขแล้วก็ความสบาย